ดูเท่าที่มาเพื่อบอกว่าในความพยายามเหล่านั้นการฆ่าด้วยตนเองนะคคือเมื่อต้องการจะให้ตายตนเองทาการฆ่าด้วยการหรือวัตถุเรื่องด้วยการอุระ่าคนได้ใจย่างมากน่าคนไปอะไรโทมตว์อย่างเดียหแบบที่ฆ่าใช่ไหมอาจจะมีโลภ่เป็นเียตได้นจะเฆ่าด้วยทานหตว์เนะครับ แต่ถึงขนาดว่าฆ่ามุ่งเป้าการได้นะจะต้องอย่ากมอศรุญกาลังมากนะครับมากตบดูตายดูหน่อยใช่ไหมตบยูสั่งแล่นคุณมน้อยพยายามแค่น้อยนะครับแต่มารู้จุดสังที่มีมมกำลังใช่ไห ม, มนะแล้วก็จะพยายามนะครับม่งเป้ากำลังที่อย่างน่าเศร้า็จะเป็นะครับด้วยการหรือว่าถูกเรื่องเรื่องการเขาแกล้งแต่เพื่อความดีนะครับชอบตัวตายหรือเป่ มีเรอการคอคอตแต่การคอไม่นะคบหอยคอสั่งนะครับง่ายนละงเลือกข้ามสมองตายะหข้องกันนะครับมีง่ยนะครหรือใช้ดีแล้วุดงเรื่องายนะครับใช้เชือกมัดคอนะมีเสียวเอย้อยนี่ทำเลยทำได้ไ้ที่ว่าการข้าสมองนะครับอกไปการข้ามงนการข้ามตา หือการสักนลาบุไฟการซกหลาบุไฟนะครับมีปล่อยอาบุไฟคือเมื่อต้องการจะให้คนที่อยู่ในที่ตรานใจไถ้าถ้าถ้าถ้าอยาจจะเกิดอันตรายนะหรือว่าก็าจะรู้ก่นะก็เลยต้องมีการก็ซักหลาวนะครับหาวขอยนต์เหมือนกับออกยนต์บางทีก็ห่อไลยนะที่ท่านเรียกว่ายนต์มันมีเป็นอาบุที่มันปล่อ น้ำมายไม่ใช่หรือครับหมายเพราะว่ามันพุ่งไปได้เนียโดยการมันมีอยตัวที่ทาให้ของพุ่งไปนะครับเรียกว่าของโยนได้นั่นอะไรบันอยากที่มันหมุนได้เองนียหมุนได้เอ่ยามหมนเป็นกลไกเช่นครับนั่นเรียกว่าเรียกว่าโยนนะครี่ตรงนี้เข้าใจว่ามันจะมีมันก็มันจะมีที่พุ่งไปใช่ไหมมันอาจจะเต็มเลย พุ่งออกไปะแล้วมันอาจจะไม่ช่มือพุ่งครับใช้เจ้าตกอนะในการพุ่งออกไปนะหรือก้อนหินใครดูเรื่องหากงไมนกเหอพุ่งก้อนหินไปนเห็นไหมที่ก็ทําอะไรอ่ะทำเป็นยิ้มเล้ยไม้เขาเขอ่างนีมีเรื่องมีราวอใช่ไปครับนี่ไม่เรียกว่าโยนได้แล้วม่ต้องใส่เครื่องใส่อะไรลยใส่อะไรก็จโยน หรือ้อนถีนไหครับเปตอก น, นะครับก็ยกไปตั้งใจในวรว่องด้วยกายหรด้วยวยัตถุเรื่องร่างเรื่องอะไในความพยายามทั้งสองนั้นแต่ละยอย่างยังจนแนลงไปอีกสองประเภนะครับ น, นี่นการฆ่าการใช้อาวุธนะ้รับั้งใจโดยมีสองแบบก็คือหนึ่งการแ่าจบโจงสองการฆ่าไมจบโจงก็คือถ้าสมัยสองนง่าย ขใช้ขนุนิมใช่ไหมง่ายที่สุดไอ้ขอมมันยังนบราดแลนะครับอาจาะที่ระลมให้เขาใช้ขนุนหมอนครับหรือสมัยที่าใช้ปืนยิม่ไถ้าต้องการยิมแบบให้เขารู้เราใช่ไหมถ้าต้องใช้ปืนอะไรปืนอะรใ้เขาใช้ยิมปืนกบเสียว่ไมคปืนยาวๆอะไนะกระบอกที่เขาใช้ฆาตรดตวใช่ไหมเอาไว้อกฆ่าคนเีครับ นี่เขาไป่าสัตว์ในาอยานี้นะแ่กายนได้ดีนะครับก็ใช้ปืูขนนี้ี่นั้นอยู่ในวัตถุที่สร้างแต่คนนั้นนะครับก็ฆ่าให้ได้แบบสองอย่างแบจอตรงกับแบบไ่จอตรงในการ่าสองประเภทนั้นการฆ่าอตรงเมื่อคนผู้ที่วิจิตจบตรงข้าตาเป็นกรรมพันธ์มีความติดเนื่องไปในี่สุดนั้นก็เป็นความลุานชวนะ เป็นกรรมฐันรุ่นคือเป็นปาราติบาแลาวมาถึงแล่นกรรมบวนะครับแล้วก็ร <a> ุ then, then region, right. ่นเป็นปาราซีเมื่อบุกคลได้สึกฝืนกันด้วยการฆ่าหรือเปล่านะฆ่าฆ่าจอบจองตพองมีความคนที่จอบตองที่ายแต่ถ้ามันไถ่ไปโดนคนอื่นนี่นะและเข้าตายปีสุดทุงนี้ก็มันเป็นปาราซีนะครับและก็มันมปารติบาทุกคนนไอ้วัหางนะวัวหางจะเรียกว่าศาสนาไรเยอะเขา คขาไม่ต้างจากข้นเาคห็นเขาไม่เหยนใช่ไหมนนะไร่เห็นใช่แค่ก็ควรเป็นคำในีระบิดาเนี่ยเรียกว่าฆาตกรในวัวานเท่านั้นเองนะครับพอไปคุกฆาตเหมือกันแต่ว่าไม่เป็นปรลาด่เพราะว่าไม่ไจับจองคนนเ้นนะจับจองอะไรต้อนรับคนนั้นตายนะครับไม่เป็นประหลาด่เมื่อบุคคลแรกมหนึ่งตายด้วยการฆ่าหรือไม่จับจง อันนี้หนันะ้นไม่จอตจงแล้วแใครเข้ามายิเข้าไปในในถึงคนนี่ยนะ่าเใครเท่าไรก็หนึ่งตายนะพิสูจน์แล้วก็ไป็นความจริงเป็นกรรมฐานนะของวิสูจนนั้นเป็นกรรมฐันเหมือนกันและบุคคลที่ถูกฆ่าทั้งโดนจอดจมไม่จบจบตายก็ตายตายเพราะความบาดเจ็บอันเกิดจากความพยายามนะั้นทายหนักก็ตาย กินไปแล้วหนึ่งนาทีไปลอยลงไปไม่ทันตายนะเราได้สี่หาวันนั้นก็บาแผลแล้วไม่ได้ตายนะคนกู้บางแนลได้่อยนะเราะว่ากู้ไปชนะหนาแล้วก็ตายเรือว่าเป็นปลาชิ้นนะครับเพราะว่าคือร่ากายเรื่องอะไบาดแผลใช่ไหมหรือว่าความเจ็บปวดที่เกิดมาจากความพยายามลองตอนแรกขณะดที่ค่าเสร็จเข้านั้นแหละเป็นสมบทรณ์น ตอนนี้ก็จะเล่าเรื่องฝั่งท่านเล่าวิ่อ ง, งอะไรนะที่ถึงที่ค่กิดาตายนสนามในตอนนั้<ม>ว่าปเป็นปัญญากรรมหรือไม่ไปนะครับท่านพู้ถือว่านะครับในสองประโยคนะค่จบตรงและไม่จอดตนะรัทั้งสองประโยคผู้ถูกประหานจะตายในขณะพอถูกประหาน กาืมาผูกปาญหานั่นคนยิงผูกแทงแล้วตายเลยหรือจะตายในภายหลังเรื่องโรคนั้นก็ตามทีที่งสู่ย่อมผูกกรรมผูกความในขณะที่ผู้ตายผูกปัญหานั่นเองมาว่าไงแล้ว่าเป็นปราสิ้ขนะตี้งแต่ตัวเองไปปักหายเขาได้ทุกคราวพราะเขาจะตายด้วยการท่แน่นอนนะอี่างต้องรอวันรุ่งนลงมาลุไรอย่างงี้ยเราเลยต้องเช่วยาผูกกรรมผูกควมนั่นคือตระักตัวน่ะตั้งแต่ผู้ตายผูกปัญห ูขเราบอกว่าแต่เมื่อพิสูจนให้ปัญหาเรื่องความพยายามเพื่อการตายคือปัญหานะครับว่ายิก็ได้ถึงว่ายิงนะครับด้วยความประสงค์ให้ตายเลยเมื่อผู้ปุกปัญหาไม่ตายด้วยการปัญหานั้นเพราโยนยินไม่ตายเขาไม่ถึงจุดที่สําคัญนะอาจจะโยนแข่โยนขาแล้วก็ไม่ถึงภานาหรอกนะเพราะอะไรสาวอีกหน้าเลยจะให้การปัญหาด้วย จิตงอ่นครับแต่ว่าไอ้ยิซ้้ อ, อ, อที่สองเนี่ไม่ได้คิดจะให้ตายแล้วนะให้ใหยินเม่่าย้ถ้าน้นสาวก็เล่ใช้ไอ้าอางอยงดีวยกว่าครับเอาไม้คุ่มดีวกว่านะเอาได้เอาไม้คุ่มทมันเรื่มจิที่จะข้ามเราแต่เขาไม่ตายนะครับที่หลังนะก็เลยข้าไปครับที่หลังก็ทุบซ้ำอีกหนึ่งนะแต่ทุบซ้ำไม่จิตเพื่อกระโจนข้าครบแล้วไง ต้องสนับสนุนดีอาจารย์แล้วก็ให้ความ่หมายแบบนี้นะครับว่าคือทนตอนแรกเชื่อว่าเขาตายนะเชื่อว่าตายตนแหกครับแต่ว่าการทาตอนแรกประสงคให้เขาตายใช่ไหมแล้วก็ล้มพุ่มอเลยนะเราเชื่อว่าตายนะถ้าท่านแกไม่ตายมันจะสลไปนะครับพอที่สองก็ไปสร้างข้ออีกทีหนึ่งสร้างึ้นมที่จะสร้ากเฉยๆไม่ใช่เป็นให้ใสใจเฉยๆะครับเพราะเื่อคนวนียนตายแล้วนะครับคืออีกถามวันนะครับ ถ้านนี้สึกประหารนะครับหรือว่าเราทำสองครั้งนะถ้ารูกปัญหารตาดูการปัญหารครั้งแรกนะครับแล้ในภายหลังรู้สึกผูกตามผูกพันในเวลาปัะหารครั้งแรกเท่านั้นนะครับหรือว่าครั้งแรกจะให้ตายใช่ไหมแต่ทํา้งที่ครั้งสองม่นไม่จะให้ตายนะครับหรือว่าถ้าต้องตายในความพยาคครั้งแรกเลยแล้วก็โดนประหารชีวะ พ อ, อารั้งแรกมีชีพยางนิสัเป็นตับแต่ว่าถ้าเขาตายด้วยความพยายครัง้รรยย ง, ง ท, ท, ที่สองก็เป็นบาช่นหมครับเพราะาพยายาครั้งที่สองเ น, นะนี่ยไม่ได้ชีพยายนีสแยนอ่ะซ้ำนิสัส่เลยนะมี่เลยนี่ังคือแต่ครั้งครั้งแรกเนี่ยอาจจะไม่ตายใช่ไหมครับครับใช่ครับแต่มาตายด้วยความพยามังที่สองืองไม่ายนี่เลยเป็น น, น, นิสับ <c oughs> <c oughs> อาจารย์บอกว่าฆ่าอาด้วยการทหายครั้งที่สองไม่มีผลปฏิมัตนะครับเนื้อวิชาดีถึงว่าเด็กวัยรุ่นใช่ไหมแล้วพ่อบอกไว้ให้เราแล้วมาพ่อให้คุบกันตอนแรมันไก่คุบให้สายนะไม่ยากนะครับทุบเะไรุบอยนะครับตอนนั้นก็ร้องเลยนะทะเลอะไรนะครับตัวที่ว่าตายนะถึงก็เลยซ้ำให้สั่งใจไปเห็นอะไรเนี้ยพ่อผู้รักษาความที่จะฆ่าในวัสถุที่ผู้รักษาแล้วไม่หีใช่ย แกก็เลยเต้าไปอย่างที่คสงสารใจแบบบุกนะครับนี้ยทีนี้สมวตินะไอคนนที่ถุกพุ่มนะครับตาในการพุมครังแรกนะคนพุ้มถือว่าไปปลาชิ้นะ่ไเป็นปลาชิ้นะเนี่ยเน็นค่ะที่บ้านเป็นรณะที่บ้านเลยชิ้นถ้าถ้ามาัน่งไหถ้าข้าอะไรชิ้นครับถ้าอะไรยุ่กเหนี่ยวภัายก็ได้กันนะพุบคะแนนนะก็เป็นปลาชิ้นครับ แต่ว่าชาติแรกเขาไม่ตายเขากรรมตายด้วยการคุกขั้นที่สองของเาอคนคุกไม่เป็นบาานชนนะหรือว่าเด็กก็เป็นมาลานบีานนะครับ้นที่สองมันมีน้ที่จะให้ตนะครับเป็นเยอะที่สมดที่ไหนที่นี่ใส่ไหมต่อครับแก้ปัญหาเรื่หนึ่งนะท่านบอกว่าอะครับแล้เมื่อผู้ตุก แม้เมื่อผู้ถูกกระหาตายด้วยการกระหานทั้งสองครั้งนะครับตายด้วการคือด้วยความประยานสองครั้งรวมกันนั่นแหละเข้าถึงตยี่จู่ก็ถูกความผงผันแท้งนะครับก็ถือว่าเป็นบาปอบานะครับเพราะการทุกข์ข้ด้งถูกแท้งเราก็ไปสูมวนพะพักเราอก็เลยเป็นบาปู่งเลยด้การหายช้าได้นั่นเองเมื่อไม่ตายด้วยการกระหารทั้งสองครั้ง ก็มีปริมารเหมนะครับต่อไปนะครับถ้าก็จะยกตัวอย่างการแทะหลายจอบตรงแล้วก็ไม่จตรงนะ่านหลายเป็นสีหมือนครับเพื่อความสะนกาแม้อะบาดคือสร้างแม้หมวดสีมากในเรื่องแค่นครับงี้เราใใจนะเรื่องนี้นะเือแนี่ยินอยู่ที่สูบใดสำหรวบรูกแพะซึ่งนออยู่ที่แห่งหนึ่ง ด้วยขี้ในใจว่าเราสมาทานกางคืนไอ้ต้องสังเกตดีแค่ละว่าแค่เนี่ยมันอยู่ที Dominican> ่ไหนคืกีนี่มันจะนอนที่ไหนเมื่อเราก็ต้องเอาไว้นะว่าอยู่พอตกกาคืนมาเนี่ราก็จะมาฆ่าแพ่ตรงไนครับที่มันอยู่แถวตงนี้นั่นอนตรงนี้เลและนะครับพอดีพอตกกางคืนเข้านะม่านแดหรือมิดาของผิวุน้าหรือผ้าหันครับหกผ้าแรสาสีเหลืองแล้วนอนในโอกาสที่แค่นอน แพทย์ไปไหนนั่นก็ไม่รู้นะวันนี้มีคนมานอนแทนก็เป็นพ่อแม่ตัวแล้วก็ฆ่าขันนะครับรานอนนงที่นัแทนนะเธอก็มาในเวลากลางคืนยังคิดว่าตรงนี้เราเป็นแพ่ย์อยู่นะทำในใจว่ารเราเราจะค่าแพทให้ตายดันี้จึงฆ่ามาดามยาหรือฆ่าขนตายามว่าเป็นาปรือเปลาันนะนะ <c oughs> อย่างนี้ เออคิดจะฆ่าแพ้ตายแล้วนะคิดจะ่าพ่อ่าแม่ดิพ่อกะไแล้วก็ยอนตรงนี้แยนอนใช่ไหเป็นว่าแต่ลว่าเป็นว่าลู่ดี๋ยวไปเปลี่ยนเป็นเนนะเอ้ยผมวาเปล่ยนอมว่าเป็นเอ้าก็คิดจะฆ่าแพะเออแต่แพะได้นอนแล้วพ่อได้เลแล้วกแต่เรียนการด้วอ่ามันแด้นอนอยู่แล้วแหละนั่นแหละเดี๋ยวถามว่ามันจะเป็ยนไหมเพราะมัน่าดน้อยจงนะ ว้าถ้าเป็นอนันต์ยากรรมไปหรอเล่ามันกเป็นอ้าวว่าถ้าไม่มันเป็นปราราชื่นเียถ้าเป็นโนันต์ยกรรมแปลว่าเป็นกรรมบวชนะครับถ้าเป็นความดีก็เป็นปรารชื่นเกียดเนี่ยต้องบอกว่าไปมันจะเป็นในปรารถนาชืนอะไรถ้าวิแารณอยู่มากเราจะค่าวัตถุนี้ให้ตายจริงใจจะข้าใจถี่ว่าข้อแรกตัวเป็นเป็นแพ้นะ แต่ความคิดจะฆ่าสิ่งนี้ว่าถุนนี้มันมีอยู่ะ<ม>พ่อแม่ เ, เป็นอาชีนะครับนะแสนอีกทีนะครับก็มีจินตนาหรือว่าเราค่าว่าถุนนี้ให้ตายนะเจิงไปคูกฆ่าลูกหรือฆ่าตากรครับปูกต้นนันทรียกรรมด้วยต้องปราณิชนะเ น, นี่ยนั่นส่วนอะไรนะส่วนอะไรจบไปครับถ้าว่านั้นสมมติว่ามี มีคนใัคุณกะอื่นมาแล้วบางคนนอนแทนไม่ใช่พ่อแม่ค่าหางหนาคนอื่นเาะที่ไหนจะมีนุจรมาแล้วก็มานอนที่นั่นแต่ก็ทำในใจอยู่เดิมนะ ว, ว่าเราจะฆ่าแค่ไอจึงค่าคนารคับคุณกะนก่นด้วยจัดเป็นฆาตกรด้วยขวา้ามาเชด้วยแต่ไม่ถึงขั้นเป็นี้ากรกรมนาะมีย่างหยุดเปละมานอนอยู่โอ้ยย่งเปละมานองแทงเนนะ เท่าน <necessary. S 2> so ั้นทำในใจว่าเรา่าใคให้ตายจริงค่าย่างอยู่เติมน้ำตาคู่ค่าย่างเไิมกแค่นั้เอไปสิบภาพฆ่าะกรอนะครับไปข่าตกรอนะคุกข่านะครับไม่ถูกต้องนพฤิกรรมและไม่ต้องกราชิพเพราะไม่ได้ฆ่าคนนะคือปรราชิพเพราะฆ่าคนจริงครับฆ่าย่งเติมไม่ประราชิพนะครับแต่เป็นหน้าจ่ายฆ่ค่ายฆ่าย่างเเป็นหน้าจ่า ข้าีนฉาเป็นไดนะครับอว่าข้าไมมีใครถีมานอนเลยก็มีแต่แคทตัวนั้นแหละมันอนที่สุนันเขากรด้วยเป็นเ้าหมอนไพรมัมดอนนะครับอย่างนี้ก็่นะเต้าคมและสูข้อนะคราไปเพ่งะูถึงเ่อนี้่าสนนี่สุข้าพ่อในสนามรบนะครับเป็นคำแปลที่ได้ตีพิมพข้า ฉันกเ็เล่าเรื่องฟังนะว่าที่สุในคิดว่าเราจะข้าโจนให้ตายนะครับแล้วก็ข้างดีดาซึ่งกําลังเดินไปด้วยแค่เหมือนโจนตายคล้ายๆกับแค่ยังไง น, นะครับเชื่อวเดินจะข้างโจนใช่ไหมเป็นนี้พ่อตัวไปแต่งตุวเอนโจนข้าของเราและกลคืนด้วยนะใส่หมวกให้โล่งใช่ไหม <c oughs> แล้วก็ใส่เสื้อแบบโจนแล้วก็เดินมานะครับแล้วมองๆ้วนะสุ่มทำเหมืก น, นโจนเลย ข้าว่าเป็นตัวเราก็เลยฆ่าเทานั้นแต่เป็นพ้อตัวนะวิสุดนั้นยอดสุต้ตาใิยกรรมด้วยเป็นปาราชิตร้นนะไปนั่งเ่นพอดเหมือนกับจอิูตราย่างนี้พูดนะครับเห็นนั้นร็คนอื่นแม่นดาซึ่งกำลังทึ้นแรงคือร็อนะเห็นนั้นร็กคนอื่นแล้วก็พอเหอนนะครับลบอกยู่ในสถานล็อกเพื่อ <c> น <oughs> อยู่ในเสนาฝ่ายฆ่าเศษ ไอ้ลูกก็อยู่ฝ่ายใช่ไมอันนี้พ่ออยู่ฝ่าอันนี้ถ่าถ้าลูกไปเกี่ยวอะไรเขานี่ยตกใจที่จะไปอยู่ในกองทัพนะมีจิตจำไปแต่เราไปอย่ในกองทัพก็ไปอยู่ข้าวหกันนะเห็น้วตัวเองอยู่ในฝ่ายข่าศรกใช่หมในกรณีที่รบกันมีร่างนอื่น้วยนายคนนะครับอันนี้นะครับจะมีลูกสอนไปจะพอตัวนะเราไม่ได้คิดจะฆ่าคอตัวนะแต่ฆ่าทั้รคนอยู่ ด้วยขีดแนใจว่ารุงสอนองชแกจะฆ้านั่งนกนั้นทุกขอเล ย, เลยนะด้วยด้วยขีดแนใจว่ารุงสอนแทนนั่งรบคนนั้น้วตักแทงดีาของเราให้ลุกตายลสองคนเลยนะต่ อ, อครับอันนี้เมื่อกีเ้เน่ยคิดว่าจะยีนพูเราให้แทงลูน่รบคนนี้นะมแล้วก็ไปแทงลงกอตัวทั้งาทั้งสองคนเลยนะแสดงว่าแกมีแรมากในชะ่ไหมีร น, นะครบ มีแต่ลูกสองคนเลยสมงว่าฆ่าลูกสอนไปนั้นจริงนะที่สูตรรูปนั้นย่อมชื่ว่าเป็นสิทธุข่านะครับผู้ฆ่าบิดาในเมื่อลูกสอนพุ่งไปตามความประสงค์นะถ้าพุ่งไปตามความปรนะสงค์ใช่ไหมแทงร้องราไปแทงก้อนนะเชื่อเป็นสิทธุฆ่าเป็นประลาชิตด้วยเกิที่อยู่ในใจว่าเมื่อนักรบผูกลูกสอนแทงแล้วบิดาของเราก็จะดีไป อันนี้จะไม่ดนพ้อรวยนะให้โดกกนรับพูดคอนะครับแล้วพ่อพี่ได้ดีไปดังนี้นะจึงยิ้มสอนไปลูกสาวไม่พุ่งประจานความประสงค์ของเขาทาให้มีดาตายนะมันเป็นกระแทงที่พ่ออยู่แทนเขาถ้าแรงไปดีแล้วนะไปฆ่าอะไรพเรื่นี้เขาจะดพวกรวยตายเทรุนั้นท่างเนี่ยติดกับข้าพ่ข้ามนาเพื่อน้าหนาเท่านั้นนะครับแต่ว่าไม่ไปท น, นกายกรรม ไม่ได้เกิดหรอยู่ครับเรา่องประการีนี้ปราชิตรก็เลยไปดีเพื่อว่าจอเกองนั่งรกกัอยู่มาน้องแต่ว่าไปโดนทอดแทนที่เกิดกมได้ตั้งแเนี้ยตั้ก็เลยโนจากปชตร่างว่า่น้จะมีอะรมด้วยไหมแต่จีนทำไมแก่็ขี้อ่ะไม่ช่ช่จอดกองวาถว่าถุงนี้เลยเล้วาตัวจริงเลยใช่ไหครับข่ามตัวเลยแต่นี่จอดกองนนี้ แต่มันใช่แต่เราควรมีแพทย์่วนที่จะเจาะจุงแพทยอ่ะมันจะเจาะจุกพวกข้อ้ข่าหันอ่ะแลืวได้เจาะจุกแพทยแต่ว่าเข้าใจถ้าอาการกัพ่อเจอมาเกิดแพทยใช่ไหมแต่ก็พยายามไปยังวัตถุนี้แหละนะเราไม่มีแพทยนะกองของป้าเลยนะเห็นว็กเข้าใจผิดนะของป้าก็้าจถูกนองใหญ่นกองป้าเขาไม่ตรงป้าอันนี้ไม่ตรงป้าเพราะวันนี้สอนใช้ถูกใช่ไหมฉะนั้นตรงป้าเลยนะเห็นก็าเกิดเข้าใจนี้ Du, ตรงเป้าเพราะว่าเอาป้าว่าถุงนี้ว่าถนี้ว่าคิดอยู่ว่าถุงข้าววถุงนี้ีแต่ไม่จิงคิดว่าข้าวล่าถุงนี้มีใช่แต่ไม่โดนว่ถุงนะกลับไปแสนไปว่า <lum> ุงนื่นอื่นเ oui. ลยไปนะครับอันนี้มีสนามรเป็นยังองให้กำมัง ในเรื่ยวการสัง่งคว่าฆ่าโดยการหมายถึงการสังรส่งของผู้สั่งคน อ, คอยู่ให้ฆ่ามากเธอจงฆ้าคนนู้นเนี่ยนะก็สั่งนะครับในเรื่องการสั่งนั้นคือสร้างดังของแบบนี้แต่คล้ายๆกับในสั่งลั่นเหมือนกันนะสั่งให้รับข้อมูลนะในเกี่ยวกับลั่ น, ม, น, น, น, น ม, มั น, น ทำเองแต่ว่าต้องมีสายเกี่กับในสิ่งของเวลาโอกาสเรื 9, like ่องการสั่งการงานสั่งให้คนครับเกินจนข้าบุคคลนู้นนะในเรื่องการสั่งที่คุณสร้างหาั่อนี้การสั่งที่สาเร็จประโยคนะครับประความที่องค์ปยะกอยคือวัตถุนะเพื่อตัวสั่งบุคคลนั้นใช่ไหมเวลานะครับเวลาข้าะับ องค์การสถานที่อาวุธกอาวุธที่ใช้เ่พื่ออะไรนครับของนะตัวนี่ตัวนี้ห้าอนะกลุ่มอิริยาบถและความพิเศษแห่งการทำในการสั่งอย่างนั้นหมายความว่าอะไรที่นี้เนี่ยจอจเนี่ยก็ต้องตรงแบบนั้นนะครับหรืวผู้สัจอบจองวัตถุนี้ใช่หมก็ต้องเป็นวัตถุนี้ถึงจะเป็นา หรือว่าจอดตรงเวลา น, นี้สถานที่นี้นะให้ฆ่าแกตายกางป่าเลยเรามาค่าในบ้านนี้นะก็เปโอกาสกิสถานที่ใช่ไหมก็เห็นคนสนั่งก็ไม่เต็มแต่คนฆ่าในเขเตใช้อาวุธเขาใช้ชนะปืนชิชน้นดีนะแต่โดยประเทศชิ้หนึงครับวอกปิดนะถ้าพูดแม้นขนาดนี้เลยแม้ดาเรื่องเดียวกันนะครับให้ใช้ผม้นั่นี้นะฆ่านหมืับ แต่ทรเป็นเช็คคงได้เลยนะไม่ต้องิดสังเกตนะไม่ต้องตองหรอกพี่ใหญ่นะครับยีรยาหมดถ้าตอนที่แกกลังนอนถ้าไปฆ่าขนาดแกกลังยืนที่ไม่ถูกตคนสังคนสั่งก็เต็มและความพิเศษการกระทนะครับความพิเศษการกระทำคืการสั่งร่ให้ใช้ต้องแทงให้แทงแบบไปฟันต้องฟันนะให้ทุบต้องทุบให้ทุกแบบไปยืนต้องยืนนะ เรี่ต้องตรงตรงการคำสั่งทั้งหมดนะท่านก็จะอธิายนะครับคำว่าวัตถุได้แก่บุคคลด้วยว่าพิสูจสั่งให้ข้าบุคคลใดฆ่าผู้รับคำสั่งฆ่าผู้นันน้นใดผู้สั่งต้องอภิปรายใช่ไหมครับนะผ้ฆ่ามันต้องใช่ไหต้อหมดเลยนะครับสั่ให้ข้าบุคคลใดผู้รับค า, นานสั่งก็ไปข้ามคนนะั้ตนต้องทั้งต้องการที่สั่งเลย ก็ต้องปรานชี้ั้งสองลูกนะครับแต่ข้ามตนสัร์ให้ฆ่าผู้หนึ่งนะฆ่าในทองนะครับผู้รับคำสั่งา้คนสิทิไปนะครับลับไปฆ่าอีกผู้หนึ่งให้ตายเสียลับไปฆ่าในขออะอนี้ที่สุดผู้สั่งไม่ต้องอาัติป ร, ปรานชี้นะคนระับผู้สั่งไม่้องปรานชีนะ้นแต่ต้องอาบัตผู้กดเพราะการขารขององแต่ผู้ฆ่าเนี่ยก็ไม่ทนนะเ ป, ป็นรานชี้นะรนะ เครับองก็ไม่ได้พูดอยู่เรื่องตนี้ไอ้ที่ว่าไหนถ้าค้าวตายแน่นเพราะว่ากข้าวก็เป็นวารีคนสั่งก็เป็นภาระที่เรื่อแต่งเสร็จแล้วอะไรก็ไม่ไ้พูดอีกถ้าก็จะพูดถึงนะครับแต่พูดถึงการสั่นถึงเหมือนกันนะการสั่งที่เรื่องนารมณ์นะครับไม่เหมือนกันถ้าจะจบมีลาไม่จบวิธีการ อันนี้ก็จรงบอกตร่คนีดียวนะไม่ไบอกวิธีการที่จะจุดไฟนครับนั่นอาจจะคนจะเหมือนกันครับถ้าอยู่ไปพูดข้างหน้าเหยือนไอ้ฆ่าในกรมีที่มันบอกว่าเจอฆ่านี้มาแล้วไม่ฆ่ามานั้นนะหลักการสั่งนื่ครับถ้าก็ตเนนัก็จะบอกว่าฆ่าผมว่าเขาฆ่าตายแน่นอนใช่ไหมพูดสั่งว่เป็นบาลท่านต้องแ่งตั้นครับตอนนี้ถ้าข้อแรกเช่นกันนะข้อไม่ได้เหม่อกันนะครับ ไปคงบเพราะว่าเวลาเวลาเข้าหน้าถึงเวลาสั่งนะครับมีก่อนช้ำอาหารเป็นต้องเราต้องสั่งให้ข้าวอะไรนะตอนก่อนสอาหารนะครับเน่หรือว่าหลังอาหารหรือว่าสั่งจอดจอดก่อนอาหารบาง น, นีนะครับแต่แกก่อนไปข้าี่ตอนก่อนอาหารมันพุ่งนี้หรือก่อนอาหารมันมนะครับหรือว่าหลังอาหารตอนมีการมึนนี่นะมีเมื่อคันเก ต้องตรงกลางทุกอางได้เลยกเพราะว่ากุรบรบคนสังให้ฆ่ากลรรภสั่งนะครับให้ฆ่านะเวลากา่อนฉนฐานเขาสามารถฆ่าตายได้ตามนั้นที่สุู้สั่ตต้องแบบราาชินนครับต้องราลาชินต้องสองคนเลยนะครับแต่ถ้าฆ่าให้ายนอกสั่เวลาที่กำหนดที่ผู้สั่ต์ไม่ต้องแบบราลาชินนะครับนั่อก็ราลาชินนะ แมะการวิจ ain ัยในข้อที่เดือทั้งหมดคพึ่งสร้างตามนี้แต่ว่าต้องบันทุกกดเวลาต้อการสังเกตค่าผลนั้ทุกคนแต่ผู้เข้าร่มเป็นการส่บเมื่อ